u d d h a m s ā r a ṇ a m gacchā. a u d d h a m s ā r a ṇ a m gacchā. Uddhammāraṇam gacchā. a Dhammam āraṇam gacchā. a ส, ส, ส, สีรับประตูปาทานจบลงด้วยอัตวาทุพาทานนี่ลำดับแห่งเทศนาลำดับแห่งเทศนาเป็นแบบนี้ถ้าลำดับแห่งการเกิดขึ้นอะไรเกิดก่อนฮะ อั ต, ตวาทุปาทานและเป็นทิฏฐุปาทานศี ร, ระพตุปาทานแล้วจบลงด้วยกามูปาทานถ้าลำดับแห่งการละล่ะละอะไรก่อนละทิฏฐุปาทานก่อนเห็นไหมทิฏฐุปาทานศีระพตุปาทานเนี่ยนะอัตวาทุปาทานเนี่ยนั่นละทิฏฐุปาทานก่อนแล้วก็อรหัตมัคจึงไปละกามูปาทานนี่เข้าใจแล้วนะนี่เข้าใจแล้วลำดับแห่งเทศนารลำดับแห่งการละลำดับแห่งการเกิดขึ้น เมื่อะกี้ว่าโดยการจำแนกปัจจัยจำแนกปัจจัยตัณหาที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่การมุปาทานที่เกิดหลังๆได้ปัจจุโตวณิสยาปัจจัยนี้ไม่แปลกแล้วแต่เนี้ยคนละวิถีได้ไหมคนล ะ, ะวิถีเน่ยคนละคนละวิถีกับแตคนละการอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าเช่นเช่นเช่นตัณหาในอดีตภพ <c oughs> ใช่ไหมเป็นปัใจจัยให้ให้กับอุปาทานของพวกเราที่ยึดมั่นขนาดที่ละยากจังเนี่ย <c oughs> หรือ ตัณหามาเกิดขึ้นตอนสมัยเด็กๆเป็นปัจจัยแก่อุปาทานตอนโตหรือหรืออุปาทานที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยขอภัยตัณหาที่เกิดเมื่อเช้าเนี่ยกรมอุปาทานเมื่อเช้าเป็นปัจจัยแก่กรมกรรมมาตัณหาตัณหาเกิดเมื่อเช้านี้เป็นปัจจัยแก่กรรมอุปาทานตอนนี้ก็อุปนิสัยปัจจัยทีนี้ตัณหาเป็นปัจจัยช่วยประกาศลแก่ทิฏฐุปาทานศีรปฐุปาทาน และก็อัตว่าทุปาทานที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยน่าปัจจัย7อันนี้ได้7ปัจจัยนะอันได้7ยังไงได้สาชาตชาตเล็กหนึ่งกลางกลางสองใหญ่4ใช่ไหมสาชาตชาตเล็กก็คือเหตุปัจจัยสาชาตชาตกลางก็คืออัญญามัญญากับสัมยุทธปัจจัยสาชาตชาตใหญ่คือสาชาตสาชาตานิสยาสาชาตะสาชาตาวิคตะบางครั้งก็ได้8ปปัจจัยตัณหาที่เกิด ถ้าจริงตรงเนี้ได้ได้แปดนับรวมไงเจ็ดกับแปดแปดก็คือเพิ่มอุปนิสัยปัจจัยขึ้นมาหนึ่งก็เลยกลายเป็นแปดใช่ั้มได้เจ็ดหรือแปดปัจจัยเวลากล่าวโดยรวมใช่ไหมได้เจ็ดหรือแปดปัจจัยนี่เข้าเข้าใจกันแล้วตัณหาที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อุปาทานสามที่เกิดหลังๆเว้นกามูปาทานเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐปาทานสีระปตูปาทานและอัตวาตุปาทานนี้ได้หนาาประจุบันนิสัยปัจจัยอันนี้ตัว จริงๆแล้วตัวตัณหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิอันแรกคือตัณหาเป็นปัจจัยแก่โลภะโลภะเป็นปัจจัยแก่โลภะนังจึงต่างกันนอันนี้เข้าใจแล้วนะแยกแยะละเอียดเงพอแค่นี้แล้วสรุปง่ายๆ <c oughs> <c oughs> ในวันนี้นะเดี๋ยวขึ้นในเรื่องของคําว่าภาวะมาจากบทที่เราต้องศึกษากันก็คือว่าอุปาทานะปัจจยาภาวะใช่ไหม อุปาทานปัจยาภโวสัมภวติภาวะย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเหตุด้วงั้นและก็เรียนภาวะทีนี้ในคําว่าภาวะเ น, เนี่ยในคําว่าภาวะที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันเนี่ยบอกว่าพบนั้นมีอยู่สองอย่างคือกรรมพบแล้วก็อุปาติภพทีนี้ไปดูในพระไตรปิฎกนในกคำพีวิพังก่อน ในคมพีวิพังเนี่ยท่านบอกว่าท่านวินิชัยวิชัยบอกว่าเกี่ยวกันในเรื่องของคำว่าอุปาทานเนี่ยนะอุปาทานใดเป็นปัจจัยแก่ภพใดเนี่ยเรียบหรือเปล่าอาจารย์เรีบเรียบใช่ในภพสองอย่างนั้นนะกรรมาภพแล้วก็อุปาติภพเนี่ยนะท่านบอกว่าภพเพราะอัตถว่าบทว่าทุวิเทนะเนี่ยภพสอง โดยก ำ, กำหนดโดยอาการสองอย่างนะคว่าพบสองภาะวะคือพพเนี่ยนมายกากไที่บอกว่าทุวิเทนะคือพพสองท่านอธิบายว่ากำหนดอะไรกาหนดโดยอาการสองอย่างหรือทุวิเทนะเนี่ยน่อันนี้เป็นตติยาวิพัตใช่ในปฐมาวิพัตอธิบายว่าเท่ากับว่าทุวิโทก็แปลว่าวสองอย่างปแปลว่าอัตินี่คือปแปลว่ามีนะมีอยู่พร้อม ก็หมายความว่าพบสองอย่างเนี่ยมีอยู่พร้อมพบคือกรรมชื่อว่ากรรมมาพบพบคือความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปติภพเข้าใจคานี้ไหมพบคือกรรมเนี่ยเรียกว่ากรรมมาพพบคือการเกิดขึ้นเรียกว่าอุปติภพใช่ไหมคำว่าพบพบเนี่ยถ้าวิเคราะห์ก็คือมาจากคาว่าภวิติพลังเอตสัมมาติพาวะเนี่ย เขาแปลว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุธรรมนี้เพราะฉะนั้นเหตุธรรมนี้จึงชื่อว่าภพฉะนั้นคาว่าภพได้แก่กรรมภพกรรมภพในที่นั้นได้แก่เจตนากรรมเท่าไหร่เจตนากรรมเท่าไหร่ที่อ่านเมื่อสักครู่เจตนากรรมยี่สิบเกดวงที่ประกอบไปด้วยเจตนาที่ในอกุศลไดจสิบสองมาากุศลเจตนาแปดแล้วก็รูปเจตนาเท่าไหร่้าอารูปเจตนาสี่รวมเป็น เจตนากรรม29่สิเก้านี่เขาเรียกว่ากรรมมพถ้าในอัตถกถาวิพังขปกรเนี่ยนะที่ดูสักครู่เนี่ยอันนั้นท่านวิเคราะห์มาจากกรรมแบบภวะตีติภโวะก็แปลว่าธรรมชาติใดย่อมมีหรือย่อมเป็นเนี่ยเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าพบมีสองอย่างเหมือนกันกรรมมพบแล้วก็อุปติพบกรรมมพบก็ตรงเดียวกันก็คือเจตนากรรม29อุปติอิพบเนี่ยอะไรบ้างอะ เมื่อกี้ไล่ไปมีอะไรบ้างอะกามาพบรูปพบ อ, รอารมณ์พบเอกวกัลภพบเจตวกัลภพบปัญญว ก, กรัรภพบสัญญีพบอสัญญีพบเนวะสัญญีนาสัญญีพบรวมเป็นเก้าพบทั้ง9ก้าพบนี้ก็ได้แก่ภูมิเท่าไรสามอภูมินั่นเองดงนั้นการเกิดขึ้นของสาอดภูมิเรียกว่าอุปติภพทีนี้ไปทําความเข้าใจอีกหน่อยว่า พโดยวัวหานว่าเป็นผลเพราะกรรมเป็นเหตุของพบเหมือนอย่างที่ตรัสไว้อย่างไงสุขโผุทธานังอุปาโทงความบังเกิดขึ้นแหง่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสุขเพราะเหตุนํามาซึ่งความสุขใช่ไหมฉะนั้นคําว่าตัดถา ก, กตโมกรรมมโวเนในพบสองอย่างนั้นกรรมมพบเป็นเไหน ในบรรดาภพสองอย่างนั้นกรรมมาพบที่ตรัสแล้วเป็นชไหนปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารอาเรนชาพิสังขารมีเนื้อความต้องที่กล่าวใช่ไหมทีนี้ไอ้คาว่าภาะวะข า, ามีเขาบอกวา่าย่อมเป็นไปเนี่ยย่อมให้สัตว์ถึงภพฟังแล้วงงเลยเนี่ยตอนนี้งงเปนิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจถ้าบอกว่าย่อมให้สัตว์ถึงภพด้วยบทว่ากรรมเป็นเหตุให้ภพนี้ ถามว่ากรรมที่เป็นเหตุให้พบเกิดน่ะท่านท่านปฏิเสธโลกุตระภูมินะ้องออกใช่ไหมเจตนากรรม29ที่เป็นปัจจัยเกิดอุปติภ พ, พเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยเกิดโลกุตละภูมินะแต่เป็นปัจจัยเกิดแหละสอภูมิเว้นโลกุตระภูมิเอาไว้นะเพราะว่าการแสดงกรรมมราภาวะเป็นปัจจัยแก่อุปติภาะวะเนี่ยเป็นวัตถกะถา เป็นคาถาที่กล่าวถึงเป็นคำพูดที่กล่าวถึงว huh? ัตะใช่ไหมกล่าวถึงวตะส่วนโลกุตละนั้นเป็นธรรมที่อาศัยวิวัตะนีฉะนั้นเขบอกว่ากรรมเพราะอัตวาเป็นสิ่งที่เข้าถึงบรรดากามมพเป็นต้นน่ะถามว่าพบกล่าวคือกรรมชื่อว่ากามมพพพบคือรูปถ้าบอกว่าพบกล่าวคือรูปก็ชื่อว่ารูปมาพบพบกาวคืออารมปก็ชื่อว่าอารมปมาพบ ถามว่าที่ชื่อว่าสัญญาภพเพราะอัตว่าอะไรเป็นภพของสัตว์ผู้มีสัญญาอักคาว่าสัญญาภพภพของสัตว์ที่มีสัญญาได้แก่ภพไหนภพไหนคือภพที่สัตว์ที่มีสัญญาเรานี้อยู่ภพไหนเนี่ยอยู่สัญญาภพหรืออสัญญีให้เอานแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกเรานี่เป็นภพที่มีสัญญาเนะ่ยเาเรียกสัญญาภพสัญญาในที่นั้นกล่าวถึงอะไรดีฮะกล่าวถึงอะไรดี สัญญาในที่นั้นกล่าวถึงอะไรสัญญาในที่นั้นกล่าวถึงอะไรกลุ่มนามธรรมเนืกลุ่มนามธรรมเนี่ยทีนี้หรือสัญญาที่ไม่มีอยู่ในภพนี้จึงชื่อว่าภพนั้นก็เรียกว่าอาสัญญาภพท่านเนวัสัญญานาสัญญาภพหมายถึงอะไรมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เพราะไม่มีสัญญาอยากเห็น ไ, ไหม เพราะมีสัญญาละเอียดในภพนี้จึงใช้คำว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แปลว่านามขันธ์สี่ของพวกเนวาสัญญานาสัญญายาตนาภพเนี่ยเป็นนามขันธ์สี่ที่ละเอียดมากใช่ไหมละเอียดมากฉะนั้นจึงใช้คำว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เข้าใจคำนี้ใช่ไหม คือน้ํามะคั น, น, นสี่ของท่านเหล่านั้นละเอียดเหลือเกินละเอียดมากบางทีเราไปท่องคํานี้ขึ้นมาเราไม่เข้าใจใช่ไหมบอกว่าเนวสัญญานสัญญายตนะพบนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้ยเป็นเงี้ยแยกไม่ออก ท่านเนวาสัญญาณนาะสัญญายตนาพรมนี่หมายถึงใครหมายถึงพวกพรมนั้นนะอรม ป, ประพรมท่านนั้นนะ่ะท่านเนวะเนวาสัญญาณนาะสัญญายตนาภูมิหมายถึงที่อยู่ของ <cube. S 1> ใช่ไหมปฏิปภูมิของท่านเหล่นานั้นนะท่านเนวาสัญญาณนาะสัญญายตนาชานหมายถึงนามขันศีรที่เป็นกุศลหรือเป็นกิริยาของท่านเหล่านั้นนะท่านเนวาสัญญาณาสัญญายาตนาวิบาก น, นี่ชัดตรงตัวเลยนะนามขันศีที่เป็นฝ่ายวิบากเป็นไปในภพในภูมินั้นฉะนั้นสัญญากลุ่มพวกนี้ละเอียดมากจึงเรียกว่าเนวะสัญญาณนะสัญญายตนะถามว่าภพที่เกลื่อนกล่นด้วยรูปะขันอย่างเดียวคือภพไหนภพไหนที่เกลื่อนกล่นด้วยรูปะขันอย่างเดียวอสัญญาสัตัพพ ม, มิวเหมือนกันใช่ไหมใช่ไปดูมีเกลื่อนกล่นด้วยรูปะขันอย่างเดียวชื่อว่าเอกวกะระภพถามว่า โวการภพพระอัตวภพที่มีขันเดียวกัจตัวโวการภพเอกโวการภพภพที่มีขันเดียวนะจตัวโวการภพล่ะและปัญจโวการภพก็คือถ้าจตัวโวการภพภพที่มีขันสี่ปัญจโวการภพก็คือภพที่มีขันห้านะนี่เป็นอย่างนี้กลุ่มเหล่านี้เป็นอุปติภพทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารได้แก่อะไรเจตนาที่ใน มหากุศลจิตแกับเจตนาที่ในในรูปกุศล5รวมเป็นเท่าไหร่เจตนา13นะเจตนา13ดวงอปุญญาวิสังขารได้แก่เจตนาที่ในอากุศลจิ12ดวงอเนีัญชาวิสังขารได้แก่เจตนาที่ในจ็ดดวงเนี่ยนะอันนั้นเกี่ยวในเรื่องของปุญญาวิสังขาร น, นะเชื่อมโยงกันนิดนึงกรรมกรรมกรรมที่เป็นเหตุให ไปสู่พบทั้งหมดเนี่ยท่านทรงเคราะห์ธรรมเหล่านี้ทั้งหมดที่สัมยุญโดยเจตนาหรือธรรมที่เป็นอาจจะยักขามีเนี่ ย, ยกล่าวคือกรรมเข้าด้วยถามว่าอุปาทินกะขันห้านะที่เป็นกามปพอุปาทินกะขันห้าที่เป็นรูปประพบหรือขันสี่ที่เป็นอรูปประพบถามบอกว่าอะไรเป็นสัญญาพบคาว่าสัญญาพบเนี่ยกินไปแค่ไหน กินไปแค่ไหนดิกรรมพบเป็นสัญญาพบไหมพบที่มีสัญญารูปประพบล่ะมีสัญญาไหมอรูปประพบมีสัญญาไหมท่านเนว่าสัญญานี่อันนั้นเป็นมีละเอียดหน่อยนะทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าไปพิจารณาบอกเจตานานั้นนะ่ะถามว่าเจตานาที่เป็นสังขารเนี่ยถ้าพิจารณากรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่พบสังขาราเนี่ ถ้าถามบอกว่าเอ๊ะสังขารกับกรรมเนี่ยนะมันต่างกันตรงไห น, นถ้าสังขารที่เกิดในอดีตเจตนากรรมที่เกิดในอดีตอันนั้นเป็นสังขารขอนคือเจตนาเจตนาที่เป็นอดีตเหตุอดีตอุทาจริงไหมกรรมที่เกิดในอดีตที่เป็นปัจจัยทำให้เราได้ปิญญานามรูปในปัจจุบันนพบเนี่ยอันนั้นเป็นสังขารแต่เจตนาที่กระท ในปัจจุบันนี้ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้อุปติภพต่อไปนั้นเป็นกรรมก็ว่างั้นเอ๊ะท่าหาว่าแยกแยะในลักษณะอย่างนี้บอกว่ากรรมรวมแห่งพบและอุปาทานเป็นปัจจัยบอกว่ากรรมที่สัตว์กระทําให้เกิดขึ้นในกามมาพบเพราะกามอุปาทานเป็นปัจจัยนี่เป็นกรรมมพบต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะกรรมเนี่ยไอตัวกรรมเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุปาทานปัจจัย ยาพวเนี่ยพบเกิดขึ้นพราะอุปาทานเป็นปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นการตัดซ้ําอย่างนี้จึงชื่อว่ามีประโยชน์ต่อการถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการที่จะวิฉัยอย่างนี้คือแยกแยะแยกแยะออกและรวมกันได้หอกะในการแยกแยะการรวมเหมืองพบพบเ พ, พราะอุปาทานเป็นปัจจัยไอตัวเจตนากรรมที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ยนะ กรรมที่สัตว์กระทำให้เกิดขึ้นในกามาพเพราะกรมอุปาทานเป็นปัจจัยชื่อว่ากรรมมพบขันทั้งหลายที่เกิดแต่กรรมนั้นชื่อว่าอุปติพบพอมองเห็นไหมตรงนี้ไอ้กรรมที่ทําในปัจจุบันนี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจัยใช่ไหมเจตนากรรมที่ทําในปัจจุบันนี่มีอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแต่กรรมที่ทําในอดีตมีอวิชาเป็นปัจจัยต่างกันใช่ไหม กรรมที่ทำในอดีตมีอม อ, มอวิชาเป็นปัจจัยแต่กรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมีอุปาทานเป็นปัจจัยต่างกันอย่างเดีนี้ตอนนี้กําลังศึกษาการไหนอยู่ อ, อย่าสับสนในการเนี่ยนะไอ้ทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึง่งบอกว่ากรรมกล่กาวคือที่อุปาทานเป็นปัจจัยในไหนมันอย่างนี้นะกรรมที่สัตว์กระทําในกามมาพบ ถ้าอุปาทานเป็นกับปัจจัยใช่ไหมแยกให้ออกนะตรงนี้นะกรรมที่ทําสัตว์กระทำเนี่ยนะในกรรมมาพบที่อุปาทานเป็นปัจจัยอันนั้นชื่อว่ากรรมมพบส่วนขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่กรรมนั้นชื่อว่าอุปติภพทีนี้กรรมที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยที่เป็นอุปาทานในรูปภพอันนั้นก็เป็นกรรมมพบส่วน ขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะกรรมนั้นก็เรียกว่าอุปาติภพกรรมทีนี้ปัญหาต่อไปคือว่ากรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาในอรูปภพอันนั้นเป็นกรรมภพขันทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นชื่อว่าอุปาติภพมองเอกไว้เนี่ยมองเอกไว้อย่างนี้ต้องขึ้นกระดานไว้เนี่ยต้องขึ้นใช่ไหมสังขาราเนี่ยถ้าถามบอกว่าเอ๊สังขารกับกรรมเนี่ยนะมันต่างกันตรงไหนถ้าสังขารที่เกิดในอดีต เจตนากรรมที่เกิดในอดีตอันนั้นเป็นสังขารก่นคือเจตนาเจตนาที่เป็นอดีตเหตุอดีตอาถใช่ไหมกรรมที่เกิดในอดีตที่เป็นปัจจัยทําให้เราได้ปัญญาณนามรูปในปัจจุบันพบเนี่ยอันนั้นเป็นสังขารแต่เจตนาที่กระทําในปัจจุบันนี้ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้อุปติภ พ, พ, พต่อไปอ น, นั้นเป็นกรรมก็ว่างั้น เอ๊านหาว่าแยกแยะในลักษณะอย่างนี้บอกว่ากรรมรวมแห่งพบและอุปาทานเป็นปัจจัยบอกว่ากรรมที่ศัตว์กระทาให้เกิดขึ้นในกรรมมาพบเพราะกามอุปาทานเป็นปัจจัยนี่เป็นกรรมมาพบต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะกรรมเนี่ยไอตัวกรรมเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุปาทานปัจจยาพระโวเนี่ยพบเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยใช่ไหม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 ที่เกิดแต่กรรมนั้นชื่อว่าอุปติภพ พ, พอมองเห็นไหมตรงนี้ไอ้กรรมที่ทําในปัจจุบันนี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยใช่ไหมเจตนากรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมีอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแต่กรรมที่ทำในอดีตมีอวิชช า, าเป็นปัจจัยมต่างกันใช่ไหมกรรมที่ทําในอดีตมีอุมีอวิชชาเป็นปัจจัยแต่กรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมีอุปาทานเน่ยเป็นปัจจัยต่างกันอย่างตรนี้ตอนนี้กําลังศึกษาการไหนอยู่啊 อย่สับสนในการเนี่ยนะไอ้ทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งบอกว่ากรรมกาวคือที่อุปาทานเป็นปัจจัยในไหนมันอย่างนี้นะกรรมที่สัตว์กระทําในกามมาพบถ้าอุปาทานเป็นกับปัใจจัยใช่ไหมแยกให้ออกนะตรงนี้นะกรรมที่ทำสัตว์กระทําเนี่ยนะในกามมาพบที่อุปาทานเป็นปัจจัยอันนั้นชื่อว่ากรรมมาพบส่วน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 ในกลุ่มนี้อาศัยอุเฉททิฏฐิอัตตาเห็นเห็นว่าอัตตาขาดศูนย์ในพบอันเป็นสมบัติของกา ม, มาวจรคือบางทีไปเข้าใจนะหรืออาศัยในรูปะรูปภูมารูปภูมิแล้วนกีก็ก็ทำกรรมคือไปบอกว่าพบใดพบหนึ่งก็ขาดศูนย์ก็จะทํากรรมให้เข้าถึงพบนั้นไอกรรมของบุคคลที่กระทำเนี่ยเรียกว่ากรรมภพขันที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าอุปติภพเนะี ส่วนพบที่มีสัญญาพบเป็นต้นก็รวมอยู่ในกรรมมาพบอุปติพบเหมือนกันทีนี้ทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยแก่ก ร, รมมาพบเป็นปัจจัยแก่รูปประพบแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อารูปประพบทั้งสามประเภทนีนะสามารถที่จะเป็นได้ส่วนอีกบุคคลหนึ่งส่วนอีกบุคคลหนึ่งกำหนดหมายว่าอัตตนี้ย่อมมีความสุขปราศจากความเร่าร้อน ในภพอันเป็นสมบัติในกาล ม, มาวาจรในรูปาวาจรในรูปาวาจรเนี่ยนะก็ทํากรรมให้เข้าถึงภพนั้นถามว่าเวลาเราปรารถนาความสุขในภพไหนใช่ไหมเราก็ทํากรรมก็ทํากรรมอันนี้มีทิฏฐิเหมือนกันนะทิฏฐิประเภทนี้เขาเรียกทิฏฐิอะไรเพราะไปเห็นว่าเป็นความสุขเน่ยไม่มีความเล่าร้อนแน่นอนเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมที่กระทาเรียกว่ากรรมภพ ันที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าอุปติภพอันนี้ถามอุปาทานเท่าไหร่เนี่ยอุปาทานอะไรเป็นปัจจัยเห็นว่าอัตตามีความสุขเนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่มที่เป็นอุเฉทะก็ได้นะเป็นกลุ่มที่อุเฉทะก็ได้อีกประการหนึ่งเห็นว่าศีลและพจน์ย่อมถึงความสุขอันบริบูรณ์แก่บุคคลผู้บำเพ็ญในภพที่เป็นสมบัติของกาลมาวจร เพื่าอาว่าบางท่าในกลุ่มของศีระพตูปาทานเนี่ยสีระพศเนี่ยเขามองกันยังไงศีระพศเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้ให้ได้ในเกิดในกรรมมาภูมิก็ได้ศีละพตุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้ให้ทํากรรมในมให้ทํากรรมไไในรูปภูมิก็ได้้ทํากรรมไปไดในรูปภูมิก็ได้ฉะนั้นกรมกรมมพบกรรมมาพบที่ทําเนี่ย ในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นด้วยอํานาจของสีรับปตูปาทานเป็นปัจจัยนั่นเน่ยกรรมที่บุคคลทําชื่อว่ากรรมมพบขันที่เกิดขึ้นเรียกอุปาติภพลักษณะอย่างเนี้ยถ้าถามบอกว่าอุปาทานอะไรเป็นปัจจัยแก่ภพอะไรอุปาทานเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่รูปภพและอรูปภพเนะมองออกใช่ไหมว่าการมุปาทานทิฏฐปาทานสีรับปตูปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ย อุปทานที่เป็นปัจจัยแก่อุปนิสเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่รูปภพและเป็นแก่อรูปภพแต่ปัจจัยแก่กามาพบแหะกลุ่มพวกสหชาตชาติถึงจะเข้านืพวกนี้นะอะเดี๋ยวไปส่งค้อปัจจัยตรงนี้หน่อยไปส่งค้อปัจจัยทําความเข้าใจตรงนี้นิดอไปดูในหลักสูตรดูในหลักสูตรนิดอุปาทานปัจจญาโวสัมบวรติห้าิบหกเนี่ยนะ เพราะว่าเป็นภาวะเพราว่าย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายอุปาทานเป็นเหตุอุปาทานที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะได้แก่อุปาทานสี่กรมุปาทานที่ตุปาทานสี่และประตุปาทานและอัตวาทุปาทานเพราะว่ามีสองใช่ไหมกรรมมะภาวะแล้วก็อุปติภาวะดังที่ได้กล่าวกรรมมะภาวะเนี่ยในหน้าเท่าไรเนี่ยร้อยสิบร้อยเศษเลยถึงร้อยสิบสองหรือกรรมมะภาวะหน้าสิบเศษถร้อยร้อยร้อยสองเนี่ยเออตรงนี้นะไม่ดูในชีดนี่ไงมาดูตรงนี้ อกุกรร ม, มะระวะภาวะการปรุงแต่งที่เกิดผลได้แก่อกุศลเจตนากรรม12แล้วก็โลกียะกุศลเจตนา17รวมเป็นเจตนา29่สิบเ้าถูกทีนี้เมื่อว่าโดยปุคลาทิฐานถ้าว่าโดยธรรมมาทิฐานก็คือตัวเจตนากรรม29เนี่ยนะถ้าปุคลาทิฐานได้แก่การกระทําด้วยกายวาจาใจในสิ่งที่ดีและไม่ดีของบุคคลทั่วทั่วไปนะก็เว้นพระรหันต์ออกไป ถ้าถามพาระอะหันมีกรรมมาพะวะไหมไม่มีเอ๊ะพระอะหันทำไมไม่เรียกว่ากรรมมาพะวะการกระทําของท่านเป็นเป็นกิริยาไปแล้วเนี่ยเป็นกิริยาเป็นการกระทำไหมเป็นอาการนะเป็นอาการกระทําทีนี้การกระทําที่ไม่ผลไม่มีผลในไม่มีปฏิสนธิในพบต่อไปอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นกิริยาแต่อย่างพวกเราเนี่ยคิดดีคิดดีก็เป็นเป็นกรรมมาพะวะในปัจจุบัน คิดไม่ดีอ่ะก็เป็นอกุศลกรรมมาเพราะใช่ไหมกระทาออกทางกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยมีผลรองรับหมดเลยมีบ้างไหมเอาไม่ที่ไม่มีผลรองรับมองมองหน่อยกรรมตรงไหนที่ไม่มีผลรองรับกรรมในขณะในปัญจทวารลวิถีมีผลรองรับไหยชาวนะเจตนากรรมในชาวนะที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารลวิถีทางจากขูทวารโสตทวรารคารนาทวารชิวหาทวารเนี่ยกายยทวารเนี่ยทางห้าทวารเนี่ย ทางห้าทวารเนี่ยมีผลไหมมีผลหรือเปล่าเจตนากรรมในปัญจทวารและวิถีให้ผลในปฏิสนธิการหรือประวัติการให้ผลในประวัติการเห็นไหมถ้าเจตนากรรมในมโนทวารวิถีก็ให้ผลในปฏิสนธิการด้วยปวัติการด้วยทีนี้ถ้ามองถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นว่ า, วาฉะนั้นการกระทำนี่มีผลนะีการกระทำนี่มีผลเกิดขึ้นหมดเลย อย่างนี้เรียกว่ากรรมแต่ถ้าหากทํากรรมในยามปกติไม่ต้องพูดถึงงช่นอย่างเราเราเนี่ยทำในปกตินี่ในขณะฝันล่ะทํากรรมในขณะฝันมีผลไหมมีในระวัติการให้ผลในวัติการเหมือนกันมีผลในวัติการแต่ไม่มีในปฏิสนธิการใช่ไม่ส่งผลในปฏิสนธิแต่เห็นไหมว่าสรุปแล้วทํากรรมทุกๆขณะมีผลรองรับบนแหละแต่อวิชาก็ปิดไม่เห็นไม่เห็นว่าไงเนี่ย มีผลหมดเลยใช่ไหมโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ล่ะยกแขนเล่นได้จิตโลภอันนี้ยได้จิตโกรธได้จิตหลงหรือมีผลหมดนะมีผลรองรับเบ็ดเสร็จฉะนั้นมีจริงๆฉะนั้นควรควรจะทำถ้าถ้าถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้คำว่าสารวมระวังทางกายทางวาจาทางใจก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะอ่ะถ้าถ้ารู้อย่างนี้ถ้าศึกษามาตรงนี้ดีแล้วนะ เราจะรู้ทันทีว่าเอานั่งกับพิบตาเนี่ยเป็นกรรมไหมฮะกับพิบด้วยความโลภได้ไหมกับพิบตาด้วยความโลภถลึงตาด้วยความโลภเหลียวซ้ายแลกขวาด้วยความโลภหรือเหลียวซ้ายแลกขวาด้วยปัญญาด้วยกุศลได้หมดเลยนะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นกรรมมีผลรองรับหมดแหละเอางี้ดีวกว่าว่าคนบางคนทำไมตาไม่งามบางคนตาา่างกมการทํากรรมทางตาก็ได้ใช่ไหมบอกไม่เป็นไรหรอก บางคนเนะีะทํากรรมที่เป็นอาบายศัสตร์ด้วยนะตาตาไม่งามซะอีกอะไรอย่างนี้ก็เยอะบางคนวิตางามมากใช่ไหมแต่ทํากรรมผิดพลาดเออไปเกิดเป็นพวกอาบายศัสตร์ตาข้างงามเลยโอ้เยอะแย ะ, ยะวิจาสรุปแล้วถึงบอกว่ากรรมทุกๆขณะที่ทํามีผลรองรับหมดนั่นเลยมีผลรองรับแต่ว่าผลนั้นจะไม่ได้มีโอกาสผลิตวิบากอาการกระทํานั้นจะมีโอกาสผลิตวิบากเมื่อไหร่เวลาไหนพบไหน ขณะไหนอย่างไรก็อีกเยอะอีกเยอะกรรมยังเหลืออีกเยอะอผลของกรรมยังอีกมากมายนะอีกมากมายนะฉะนั้นวันมีคนคนเลิกคิดกันได้ยังคําว่าชดใช้กรรมเนี่ยหรือยังมียั ง, ยงคิดอยู่บางคนบอกว่าถือว่าชดใช้กรรมไปเนี่ยถ้าไปเจอคนพูดอย่างนี้ถามเลยเนะบอกว่าถามยังไง ร, รู้ไหมบอกว่าโอ้อยเนี่ยกาลังชดใช้กรรมถามว่าอาก็ชาติที่แล้วคุณทํากรรมอะไรมาถามเลย ถามอย่างพูดเจ้าถามดิเรกทีเออชาติแล้วคุณทํากรรมอะไรมาออกไม่รู้คุณแล้วก็ถามต่อไปชาติที่แล้วคุณทําปาณาติบาตินนาทานกาเมศุมิชาจารมูสาวาตปิสนาวาจาเป็นต้นนะถามเลยนะถ้าก็บอกเขาไม่รู้แล้วคุณรู้ไหมว่ากรรมนี้จะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้คือคุณจะต้องชดใช้อีกเมื่อไหร่และกรรมนั้นมันจะหมดเมื่อไหร่บอกไม่รู้เนี่ยโพ่อทิศีวิปลิตถามถามไปตอบไม่รู้เรื่อง ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยเพราะจริงๆตนเองไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมยังไปบอกว่าเออชดใช้กรรมคำคำนี้จึงไม่ควรไม่ควรใช้สําหรับผู้ศึกษาพระธรรมนะคําว่าชดใช้กรรมเนี่ยมันเป็นอีกละที่หนึ่งนะพวกนี้พระพุทธเจ้าเดินหนีนะพวกชดใช้กรรมเนี่ยเพราะก็ยังไงยังไงก็ถือพอบอกพอบอกชดใช้กรรมเนี่ยพวกนี้ก็จะปล่อยทรมานไปอย่างเง้ยมีหลายคนจริงๆนะเวลามาหาเนี่ยบอก คนอยู่ไปอย่างงั้นได้ว่าชดใช้กรรมหมนแล้วว่าเอ้ยทํากรรมอะไรมาเนี่ยไปทํากรรมอะไรมาถึงต้องมาชดใช้กรรมเนี่ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าโดยถามว่าวจนะถากของกรรมก่อนนะเพวติเอตตสมาติภโวผลย่อมเกิดขึ้นโดยสายกรรมนั้นฉะนั้นกรรมนั้นชื่อเกิดจากเชื่อเพราะว่ากรมมะเมวะภาวะกรรมภาวะกรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นฉะนั้น แต่แก่กรรมนี่คือเจตนากรรมนะพอมาดูผลที่เรียกว่าอุปติภาวะเนี่ยนะเมื่อว่าโดยทรมาทิฐานอุปติภาวะได้แก่อะไรได้แก่ผลเกิดขึ้นในภพนั้นๆโดยอาศัยกรรมภาวะได้แก่โลกยาปา ก, กัจิตสาเจตสิกเท่าไหร่สามห้ากรรมไมชรอรคยี่ะนะไม่ต้องไปแยกแยกนะก ร, รมชรคยี่คืออะไรเดี๋ยวแยกไปแยกมาอีกอายจุลัดตีอะไแยกไม่ออก <S <S ทีนี้ถ้าว่าโดยปุคคาลาที่ฐานแล่ะอุปติภาวะสัตว์ที่ทั้งหลายที่อยู่ในสามเศรษฐภูมิ น, นะการเห็นการได้ยินยังได้กลิ่นการเลื่อรถการสัมผัสเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นปุคขลาที่ฐานหมายถึงอบุคคลไปเลยวัจะนะถากของอุปติภาวะธรรมธรรมชาติใดเข้าไปเกิดในภพใหม่ฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่ออุปติภาวะมาจากคําว่าอุปัตชัติติอุปตินี่นะ อุป password. ปฏิเนี่ยนะภาวติติภโวะทำใดให้เกิดขึ้นเพราะสายกรรมฉะนั้นทำนั้นชื่อภาวะเพราะว่ในที่นี้เป็นอุปาฏิภวะเนี่ยเพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกรรมผลที่เกิดขึ้นจากอุปาฏิจารซาภโวจารติอุปาฏิภโว ะ, ปป ะ, ะโวเนี่ยทำใดเข้าไปเกิดในภพใหม่ด้วยได้เกิดขึ้นเพราะสายกรรมด้วยสองประการนะอาการที่เข้าไปถึงด้วย แลาการเกิดขึ้น น, น, นั้นเกิดขึ้นเพราะสายกรรมด้วยอันนั้นเรียกอุปฏิเพราวะว่าคือโลกเกยบาคในหะนึ่งสาบสองเจสิกสามหากามฉลูปยี่สิบนี่เป็นอย่างนี้ส่วนย้อนมาดูไอ้พวกนี้ท่องทั้งนั้นเลยเนี่ยสำหรับกลุ่มอยากสอบได้ทั้งหลายนี่ก็ท่องก็ว่างั้นแท้ที่จริงไม่จำเป็นว่าจะต้องกลุ่มสอบเนะกลุ่มที่จะเข้าใจคำสอนต้องท่องก็ต้องท่อง การสาธายายจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่ควรจำถ้าเราใกล้จะตายเรามีแต่นึกถึงพระธรรมคำสอนได้เป็นส่วนมากกับ น, นึกถึงเรื่องที่ไม่ใช่เป็นคำสอนเนี่ยจะเอาอะไรดีวะชีวิตนี้จะเอาอะไรดีเอานึกดีกว่าใช่ไหมแต่ว่านึกแล้วต้องไม่เป็นโทษนะนึกแล้วต้องไม่เป็นโทษนะเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าที่พ ผ, ผ่านมาบางคนท่องแล้วก็ทิ้งหายไปเกลี้ยงนะเพราะเราเรียนมาผิด ถ้าคนเรียนมาถูกนะ่กลับไปสายทยายใหม่หมดเลยเพราะสาธทยายทุกครั้งได้บุญทุกครั้งไหมเวลาสวดมนต์ได้บุญทุกครั้งไหมนั่นแหละสาธทยายคําสอนได้บุญทุกครั้งแต่ต้องหมายถึงท่านเหล่านั้นตรึกเป็นด้วยเนะพิจารณาเป็นด้วยนะถ้าพิจารณาไม่เป็นเนี่ยท่องด้วยความโลภอยู่ไหมบางคนท่องด้วยความโลภอยากจะได้เนี่ยท่องท่องท่องท่อท่ อ, ทอไปเพื่อจะสอบพอสอบเสร็จ ไอโลพะมันหมดกําลังแล้วมันไม่มีตัวที่จะกระตุ้นให้ท่องอีกแล้วหมดเลยไม่ท่องมันสิการผิดใช่ไหมเนี่ยทำมันนสิการถูกเขาท่องยังไงดูไหมเขาไม่ได้ใส่ใจตัวนั้นอันนี้เป็นพระธรรมคําสอนนี่ท่องเลยเขายิ่งท่องยิ่งบุได้บุญเนี่ยพยาญชนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำเนี่ยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ก็คิดงี้ครับแม้กว่าจะเข้าใจคําว่าพยัญชนะหนึ่งหนึ่งคำเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นี่เข้าใจยาก เคได้ยินไหมว่าคําสอนที่ได้จากครูอาจารย์หนึ่งตึงตัวหนึ่งพยัญชนะเนี่ยสมบัติในปฐพีนี้ไม่สามารถที่จะสมบัติในปฐพีนี้ไม่สามารถที่จะไปชดเชยได้เพราะธรรมะนั้นเป็นอะไรธรรมะที่ไดหนึ่งคำเนี่ยนะครับหนึ่งคำเนี่ยเอาลองที่สมบัติในโลกเนี้ยเอาสมบัติอะไรไปเทียบได้ไหมแต่ตอนนี้อาจจะคิดว่าเทียบได้อยู่ใช่ไหมเพราะยังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าหากเข้าใจตรงนี้จริงๆจะรู้ว่า มีค่าอย่างนี้เอาอย่างคําว่ากรรมพโวนีห็นะกรรมภะวะอุปติพาวะคําเนี้อุปาทานปัจจะยาพโวสัมภวติเนี่ยกว่าที่เราจะได้ยินคํานี้พระพุทธเจ้าบ่มมาเท่าไหร่ถ้าคิดอย่างนี้เริ่มเห็นใช่ไหมบ่มมาเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกอบเอาสิไอกรรมตัวนี้ที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ยว่าไงไม่ใช่กรรมอย่างที่เขาพูดกันทั่วไปนะ เพราะกรรมที่เขาพูดกันทั่วไปมันเป็นกรรมที่ไม่ใช่อุปาทานเป็นปัจจัยแล้วเรียนทั้งสายเกิดด้วยทั้งสายดับด้วยนะแล้วรู้ด้วยว่าจะกําหนดไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดได้อย่างไรเนะี่ยใช่ไม่ใช่ฉนั้นคําคำนี้ยจึงบอกอ่ามันมีความหมายอย่างงนะสมบัติในปัทวีนี่แลกไม่ได้เลยไม่รู้จะไปแลกยังไงให้สังเกตดูนะว่าเจ้าพระเจ้าแผ่นดินอะไรนะที่ว่าบวชน่ยที่นางนางอโนชาเทวีเป็นภรรยาเมฮีศี ชื่อพระเจ้าแหละที่ว่าพอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพียงแค่ได้ยินแค่เนี้พระราษฎรสมบัติยกให้แสนกหาบนาพอได้ยินว่าพระธรรมก็อุบัติเกิดขึ้นพอบอกพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วนี่อุ่งชื่นใจไว้ก่อนแล้วเยอะว่าตนเองจะได้จะต้องไปเห็นไปดูเนี่ยแต่ยังชื่นใจไม่มากอะถ้าบอกพระธรรม ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเอาหูชื่นใจเป็นครั้งเดียวสองแสดงพระธเจ้าเกิดมาแล้วพระธเจ้าแสดงธรรมนี่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ยอมแสดงธรรมแเสียหายอีกไหมก็ได้เฉพาะมองแค่ไหมได้กุศลแค่ทางจะขูย ญ, ญานนั่นนั้นเดี่อันนี้ยังแสดงธรรมอีกโอ้ยพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วชื่นใจอีกพระราชทานให้อีกแสนหนึ่งบอกพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยเรามีโอกาสแล้วเรามีโอกาสบรรลุแล้ว ดูที่คนคิดถึงขนาดนั้นนะอย่างเราคิดว่าโพระพุทธเจ้าตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างเกิดแล้วพระธรรมเกิดได้ยังพระสงฆ์เกิดได้ยังแล้วเราแหละทํำยังไงจะเป็นพระสงฆ์จริงๆ่ะเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะเขาจึงได้ปีเตียม่อใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้ถ้ามีแต่พระพุทธเจ้าเกิดเขาก็ไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ดีใจระดับเลยนะพระราชทานแสนพอบอกว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย สมบัติทั้งหมดไม่เอาเลยทิ้งงวดเลยมันก้อนก้อนน้ํำลายอยู่ในปากท่มทิ้งโดยส่วนเดียวไม่กลืนก็กลำลําคออย่างนี้เขาเห็นคุณจริงๆนะนั่นก็หนึ่งพยานชนะมีความหมายสําหรับเขาม嘛คือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ยมสทลีคิดได้ถึงขนาดนี้ยัง <c oughs> หนึ่งคำอะได้พระพุทธเจ้าองค์เนื้อท่องไปเถอะโอ้ยตรงนี้ไม่ควรท่องตงัวนี้ตรงนี้ควรท่องอ น, นะจะจะไม่มีตรงนี้เลยนาะใช่ไหม นี่ชักจีวในท้องแต่ยังไม่ค่อยมีใครเห็นดีเท่าไหร่นี่ยทีนี้จําแนกกรรมมะภาวะเนี่ยนะบอกกรรมมะภาวะที่เกิดทางกายเรียกว่ากายกรรมอกุศลเจตนากรรมสิบสองมหากุศลเจตนา 8. กรรมแปดกรรมมภาวะที่เกิดทางวาจาเป็นวจีกรรมเท่ากันเหมือนกันนะเจตนากรรมยี่เหมือนกันอกุศลเจตนากรรมสิบสองมหาอกุศลเจตนา 8. กรรม8ดกรรมมะภาวะที่เป็นไปทางใจเรียกว่ามโนกรรมก็คือ เจตนากรรมยี่บเก้าใช่ไหมอกุศลเจตนากรรมสิบสอมหากุศลเจตนากรรมแปดแล้วก็ ม, มหากตากุศลเจตนากรรมเก้านี่นะส่วนอุปติภาวะเป็นเป็นมีเก้านะแยกเป็นสามในไหมในที่หนึ่งในที่หนึ่งแยกยังไงว่าโดยภูมิสามการมมาภาวะรูปภาวะรูปภาวะว่าโดยตัณหาสามได้ไหมอันเดียวกันนะส่วนว่าโดยจิต สรญญาภาวะสัญญาภาวะเนวสัญญีนาสัญญาภาวะโดยสัญญานีโดยขันเอกวโกระภาวะเจตวโกรภวะและปัญจโวการะภาวะขันหนึ่งขันสี่ขันห้าเคยที่ฐานแบบนี้ไหมอธิฐานบอกว่าสัตว์เหล่าใดตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสอยู่ในกําเนิดทั้งสมีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียว กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ภพไหนเกลื่อนกลนด้วยรูปประคันอย่างเดียวภพไหนเอกโอกาละภพอัสัญญีภพภพไหนเกลื่อนกลนทั้งรูปประคันและนามขันพวกเราไงพวกปัญจโวกาลภพภพที่เกลื่อนกลลไว้ด้วยนามขันอย่างเดียวก็จจตโวการะภพคือจำแนกอุปติภพเป็นเก้านะ ไอ้ตรงนี้ท่านบอกว่าในที่สองอุปติภพ9้าโดยความต่างกันเหมือนกันแห่งรูปแห่งสันฐานและปฏิสนธิวิญญาณก็แยกยังไงอย่างเงี้ยแยกยังไงลองแยกให้ดูทีฮะนานาตากายะนานาตาสัญญาภาวะสัตว์ที่เกิดในการมาสุขติภูมิเจคือใครเนี่ยเขาเรียกว่ากายก็ต่างสัญญาก็ต่างสัญญาในที่นั้นคือน้ำ น, นำะนามขันก็ต่างเนี่ย นี่ในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณนะกายต่างกันปฏิสนธิวิญญาณต่างเนี่ย น, นะในการมัศุกติภูมิ7มนุษย์กับพวกเทวภูมิเนี่ยนะนาณาตากายยะเอกตาสัญญีภาวะเนี่ยนะอันนี้คือกายต่างปฏิสนธิวิญญาณเหมือนคือพวกพวกไหนอบายภูมิสปฐมฌานภูมิ3อย่างในปฐมฌานภูมิสามให้สังเกตดูนะเอางี้ ในปฐมฌานภูม <may su> ิสามเนี <s> ่ยนะพวกพรหมพวกนี้มีร่างกายต่างกันนะปฐมฌาไอพวกพวกมหาพรหมท้ามหาพรหมพรหมมะปริสัชชาพรหมมะโปรฮิตาเนี่ยลัศมีต่างกันหมดแล้วแต่ใช้ปฏิสนธิวิญญาณตัวเดียวกันก็คือรูปาวเจริญปฐมฌานวิบากหนึ่งตัวนี้ปฏิสนธิวิญญาณตัวเดียวกันนามขันศีลที่ทํากิจปฏิสนธิตัวเดียวกันแต่ไปเกิดต่างกันเลยเนีร่างกายลัศมีต่างกันเลย คนละเรื่องเลยออีกกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งเป็นปโรหิตอีกกลุ่มหนึ่งเป็นท้าวมหาพรหมไปเลยเขาห้ามผู้หญิงเป็นแน่นายอมสุริท้าวมหาพรหมก็ไม่ให้เป็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ใน่บางคนค้านตายเลยนะเราบอกเนี้ยนะแต่หญิงผู้หญิงก็ไม่เป็นอินทร์ศรสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนหนึ่งอิทธิบาทฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาส่วนหนึ่ง ของหญิงและชายต่างกันตรนัน้ผู้หญิงผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้ผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ใช่ฐานหน้าที่จะเป็นได้และอีกเยอะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ผู้หญิงปัจจุบันนี้ไม่ยอมรับกันนะต้องอธิบายกันยืดยาวเลยเดี๋ยวว่ากลุ่มสิทธิสตรีกลุ่มสิทธิสตรีทั้งหลายเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่เลยตอนนี้เอกตากายะนาหน้าตาสัญญี ภาวะมีกลุ่มกายเหมือนสัญญาต่างกลุ่มไหนทุติอาชานภูมิสมทุติอาชานภูมิ3ทุติอาชานภูมิสามและตตีด้วยปาทุติอาชานภูมิสมอย่างเดียวนะทุติอาชานภูมิสมอันนีนจุดต่างเอกัตตากายาเอกกัตตสัญญีนี่ตติอาชานภูมิสาจะตุทะชานภูมิ6เว้นสัญญาเออนี่เหมือนหมดเลยนะเนี่ยถ้าใน ถ้าในตติยชาญในเจตุทะชาญเนี่ยนะจตุทะชาญภูมิหกมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างเจตุทะชาญภูมิหกมีอะไรบ้างก็มีสุดทาวาสภูมิ 5, ห้าเวห์ภาลาภูมิหนึ่งแล้วก็ตติยชาญภูมิอีกสามอะไรบ้างอะ่ะปริตตสุภาอ ป, ปมาณาสุภาสุปกินหางั้นกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยร่างกายเหมือนปฏิสนธิวิญญาณก็ใช้ดวงเดียวกันเนะี่ย เห็นไหมว่าจริงๆเนะี่ยในภพภูมิเหล่านี้เขาเหมือนกันเลยเนะี่ยร่างกายก็เหมือนเนะปฏิสนธิวิญญาณก็เหมือนแต่ต่างกันตรงคุณธรรมนะอย่าลืมนะ <c oughs> เช่นเช่นพวกสุทาวาสพรมเนี่เป็นพ้านาคาเนะไปเกิดบนนู้นนะแล้วพ้านาคาที่บริบูรณ์ด้วยศรัทธาบ้างวิริยะบ้างสติบ้างสมาธิบ้างแล้วก็ปัญญีนีบ้างแล้วแต่ว่าอะไรเด่นนะน ถ้าปัญญีนีเด่นแก่กล้ากับโน้และอกนิฐาภูมิเนือแต่ก็ยังสภาพร่างกายเหมือนกันอยู่ไหมเหมือนเห็นไหมอัตภาพเหมือนกายเหมือนปฏิสนธิวิญญาณก็เหมือนนี่เป็นอย่างนี้แยกตรงนี้ออกไหมโยมโอออกใช่ไหมเราไม่เคยเห็นก็ให้รู้เขาไว้ว่าเขาเหมือนกันถ้าจะเป็นผ่านนาคาก็คงจะได้ไปอยู่อย่างนั้นนะแต่ต้องทอําำินทรีย์ให้บริบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะอสัญญาภาวะ ก็คือตรงตัวนะเอากอาคาสานันจายตนาวิญญาณัญจายตนาอากินจัญญายตนาเพราะว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนาภวะอันนี้เขาเรียกว่าอุปติภาวะเก้าอย่างอันนี้ว่าตามอะไรว่าตามอะไรว่าตามสัตวาว่าใช่ไหมว่าตามสัตวว่าเก้าอย่างทีนี้อุปติภาวะเก้าโดยปุคะราติฐานเนี่ยกมรมภาวะได้แก่อะไรแตเนี้ย อบายศัตว์มนุษย์เทวดารูปประพวะก็คือรูปประพรมอรูปประพวะก็คือรูปประพรมสัญญาพวะก็พวกอบายศัตร์มีมนุษย์เทวดาแล้ก็รูปประพรมอสัญญาพวะอสัญญาสัตตพรมืออรูประพรมด้วยนะเว้นเนวะสัญญาณสัญญาเตนะเนวะสัญญีนาสัญญาภวักก็คือเนวะสัญญาณสัญญาเจตนาพรมเอกโวการะวัก็คืออสัญญาสัตตพรมเจตุโวการะวะก็คือ รูปภพมปัญญาวาก ร, ราภาวะนี่อบัยศัสตร์มนุษย์เทวดาแล้วก็รูปภพมไอ้ทงนี้เนะกยก็แยกแยกแยะกันไป <c oughs> อันนั้นแยกให้ละเอียดหน่อยอุปติภาวะทั้งเก้าถ้ากก่าโดยยอ่ออรูปภ ะ, ะวะใช่ไหมถ้าบอกว่าอุปติภวะเก้าเนี่ยถ้าย่อลงแล้วเดมีอยู่สามเหมือนนันมีอยู่สามรายละเอียด รายละเอียดตรงนี้อีกนิดหนึง่งแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของกรรม่าวะอุปติภาวาละล่ะแสดงยังไงเร็วๆเลยแสดงแบบไหนเดียวถามว่าที่เมื่อว่าโดยนาคตผลแล้วกรรมร่าภาวะนี่เป็นเหตุอุปติภาวะเป็นผลใช่ั้ยหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายที่ซึ่งเป็นอุปติภาวะเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยอะไร อ, อ, อาสายการกระทาทางกายทางวาจาและใจที่เป็นอกุศลกรรมมาภาวะโลกียกุศลกรรมมาภาวะเป็นเหตุใช่ไหมเหตุนั้นเขาเรียกอะไรชนอกกับเหตุเหตุที่ทําให้เกิดในสัมโมหาวินุทานีตถาแสดงสแดงสแดงว่าตัททะสาเป็นต้นเนี่นะบอกว่าในภาวะสองอย่างอากุศลกรรมและโลกียกุศลกรรมเนี่ยที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่ากรรมมภาวะคันห้าที่เกิดขึ้นโดยสายการกระทำเรียกว่า อุปติภาวะที่ขยายไปเนี่ยนะถ้าว่าโดยปัจจุบันผลอุปติภาวะนี่เป็นอะไรทําไมถึงเป็นเหตุได้เอาอุปติภาวะกล่มาว่าเป็นผลใช่ไหมเพราะเพราะการกระทําทางกายทางวาจาใจของสัตว์ทั้งหลายปรากฏขึ้นต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยความมังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นอุปติภาวะเป็นเหตุด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงจําแนกไว้ว่าผู้ฉลาดควรพยายามเอาร่างกายที่มีความตายอันไม่มีที่สิ้นสุด แรกกับพระนิพพานอันเป็นสันติบทสันตบทไม่ตายนี่นะเหมือนพ่อค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาจากคำว่าอมตังนินยมานนะชรมาเนาาาเนะนิชลังนิพุตังตัมานานันตปามาเนนิเมยยโพโพนทินาสิวั ง, งเองเอถ้าคนฉลาดหรือบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาควรพยายามมาร่างกาย ที่มีความตายอันเป็นที่สุดเนี่ยร่างกายมีสาระไหมมีหรือไม่มีเพราะมีความตายเป็นที่สุดไม่มีสาระของความงามของความเที่ยงของความสุขของความเป็นตัวเป็นตนเลยนะเอาเป็นแลกนิพพานนี่อะไร<ม>เหมือนพ่อค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากั น, นคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเวลายมสตรียมสรีค้าขายทำไงจะแลกเปลี่ยนก็แปลว่าตัวเองต้องได้กาไรใช่มเฮ้ นี้เอาร่างกายแลกเปลี่ยนพระนิพพานกันหน่อยเพ้อเอาขันน่ยนะผู้ฉลาดคนรพยายามร่างกายที่มีความแก่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแลกกับพระนิพพานอันเป็นสันติบทไม่มีความแก่เหมือนพ่อค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่นี้เลยผู้ฉลาดควรพยายามเอาร่างกายที่มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสเป็นนิดนั้นน่ะแลกกับพระนิพพานอันเป็นสันตะบท ไม่มีความเดือดร้อนโดยกิเลสเป็นนิดเหมือนพ่อค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันเสร็จแล้วสามประการผู้ฉลาดหรือบัณฑิตเอาร่างกายแลกกับนิพานปารบอะไรร่างกายมีความตายเป็นที่สุดแต่นิพานไม่มีความตายแลกเลยร่างกายมีความแก่เป็นที่สุดเอาไปแลกเลยใช่ไหมเหมือนพ่อค้าแลกเปลี่ยนเพราะนิพานไม่อยู่ความแก่เนี่ร่างกายเป็นรังของโลกเป็นต้นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเครื่องทําให้เราร้อนเนี่ย เกิดจากกิเลสนะนะถ้าไม่เดือดร้อนเป็นนิดเนี่ยเอาไปแรกกับ น, นิพพานที่ไม่มีความเดือดร้อนนี่เป็นอย่างนี้นะมองเห็นใช่ไมแต่เนี่ยนะเอาสรุปตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการแยกแยะแยกแยะโอ้ตรงนี้เขามีไว้หน้าห้าจุดเจ็ดเนี่ยแยกละเอียดนะ อ, ออเลยเนี่ยเอาไปต่อไปแสดงความต่างนะแสดงความต่างที่จริงดูรายละเอียดในนั้นเอาเองด้วยนะไม่ได้ไปแยกให้ละเอียดตามนั้น กรรมมาเพราะว่าและอุปติเพราวะทั้งสองเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็กล่าวคือเมื่อว่าโดยการที่เป็นอนาคตเมื่อว่าการที่เป็นปัจจุบันกรรมบอว่าเป็นเหตุอุปติเาว่าเป็นผลนการอนาคตนะส่วนถ้าปัจจุบันและอุปติภราะว่เป็นเหตุนี่ก็ว่าไปแล้วทีนี้ความต่างกันระหว่างสังขารกับกรรมมาเพราะก็ให้ท่องด้วยสังขารเป็นผลก็อวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขารากับกรรมมาว่าที่เป็นผลเขาบาทานอุปาทารปัจจยาพวโททั้งสองอย่างนี้ว่าโดยองธรรมแล้วได้แก่ เจตนากรรม29คืออาุศนเจตนา12โลกยากเจตนาสิเหมือนกันไหมเหมือนแต่กันแตกต่างกันคืออะไรประการแรกเจตนากรรม29ที่เกิดก่อนในอดีตกรรมในอดีตพศซึ่งเป็นเหตุถามอันนี้นี้ว่าด้วยอาฐานะเป็นอดีตพบใช่ไหมเอาวิชาสังขารฉะนั้นสังขาร น, นี่เป็นเจตนากรรม29เนะีเจตนากรรม29ที่เป็น ที่ในอตีตอาธาเนี่ยนะเกิดขึ้นในภพนีิชื่อว่าสังขารอาวิชชาปัจยาสังขาราตีโตอัธานส่วนปัจจุบันผลคือวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสาเวทนาเจ้มะถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเจตนากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนภพซึ่งเป็นเหตุให้อุปอาทานนขันเกิดขึ้นในภพหน้าชื่อว่ากรรมมภวะมาจากคามัชเชอัธาปัจจุปนโนเนี่ยนะอัธา เออตรงนี้ดูกรรมมภาวะเจตนากรรม29เนี่ยไอเจตนากรรม29เนี่ยเป็นเป็นปัจจุบันการใช่มเจตนากรรม29เป็นปัจจุบันการที่เป็นสังที่เกกรรมภาวะนส่วนสังขารเจตนากรรม29เหมือนกันแต่เป็นอดีตการนี่นี่เห็นต่างแล้วนะฉะนั้นกรรมที่เป็นสังขารเนี่ยนะที่ทเนี่ยที่เป็นอดีตแาทานี่เป็นเป็นสังขารอันนั้นเจตนากรรม29ิี่เกิดในอดีตพบเป็นเหตุให้เกิดอะไร เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเห็นไหมอุปาทานในปัจจุบันนี้มีมีสังขารในดีด้วยนะอย่าลืมนะเป็นปัจจัยส่วนส่วนกรมรมภวะซึ่งเป็นผลของอุปาทานหเห็นไหมเห็นไหมต่างเลจุดตรงนี้ต่างเลยที่ทําให้อุปติภาวะในนาคตการเกิดขึ้นเนี่ยถามเลว่าสังขารสร้างผลในภพไหนสังขารสร้างผลในภพไหนเจตนากรรม าคือเจตนากรรมยี่บ้าที่เป็นสังขารสร้างผลในพบไหนไหนสร้างสร้างให้ได้วิญญาณนามรูปสารายตนาัาษาเวทนาในปัจจุบันฉะนั้นให้ผลในปัจจุบันส่วนกรรมมัพหะคือเจตนากรรมยี่สิบเก้าให้ผลในพบไหนให้นาค ต, ตพบให้อุปติภาวะในานาคตมีจุดต่างเ น, นอะอรการต่อไปแต่เนี้ย สำหรับการแสดงอาการยี่สิบแหล่งต่างนั้นเนี่ยไม่ต่างกันและทั้งที่ในปัจจุบันในเหตุห้าสังขารนักรรมว่าก็เข้าอยู่ในธรรมที่เป็นปัจจุบันด้วยกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงรู้ได้ว่าความต่างกันของสังขารกรรมว่าที่ว่าโดยการจึงจึงมีในที่นี้แต่ความแตกต่างกันมีดังนี้อกว่าปุพพะเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทํากุศลอกุศลเชื่อสังขาร เห็นไหมนะเจตนาก่อนที่เกิดในโชนะเข้าใจคําว่าปุพหะเจตนาใช่ไหมเช่นจะให้ทานเนี่ยไอ้เจตนาที่เกิดก่อนอีกในัยาะหนึ่งที่มองดูจุดตานะ เ, เจตนาที่เกิดก่อนการกระทําก่อนให้ทานก่อนรักษาศีลก่อนเจริญภาวนาก่อนฟังธรรมเป็นต้นไอ้เจตนาที่เกิดก่อนเป็นสังขารมุนจากเจตนาที่เกิดในขณะกระทํากุศลกรรมนี่ชื่อว่า กรรมเพราะว่าอันนี้มีอุปาทานเป็นตัวที่จริงที่จริงลำดับเห่งการเกิดกับลำดับเห่งการเ อ, อถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นโอ้ไอสังขารกับกรรมเพราะวาน่นี่ว่าโดยการก็ต่างเนะ้อเหมืนนี่ว่าโดยเจตนาก็ยังต่างเยอะอยังโมเห็นใช่ไหมเออว่าโดยเจตนาก็ยังมาต่างก็อีก <ừ. S 1> ไอเจตนาก่อนกระทากับเจตนานในขณะธรรมเนี่ยไอที่เป็นสังขารกับเป็นกรรมเพราะวา่าก็มีจุดต่างกันเลยหรืออีกในหนึ่ง ในอกุศลและกุศลชวนะเนี่ยนะเจ็ดครั้งนั้นเนะี่ยกุศลอกุศลชวนะเจตนาที่เกิดขึ้นในชวนะดวงที่หนึ่งถึงดวงที่หกนี่ชื่อวสังขารนี่นี่สรุปแล้วตัวสังขารในยะเนี้ยเป็นทิฏฐาธรรมเวเทนยกรรมก็เป็นเป็นอะไรเป็นอปปราปราเวเทนิยกรรมเห็นไหมถ้ามองในแง่นี้จัดอย่างนี้ไปเลยมองใ น, ในยะสามเนี่ยเอาเจตนาที่เป็น จ เ, เ, รรเจตนาที่ในชาวนาดวงที่หนึ่งอย่างนี้เป็นทิฏฐาธรรมเวทนากรรมให้ผลในภพนี้เลยใช่ไหมถ้าเจตนาที่ในชาวนะดวงที่หนึ่งถึงดวงที่หกอ布拉布拉เ อ, อดวงที่สองถึงดวงที่หกนี่เป็นอปรา拉ระเวทนยกรรมอันนั้นเออเป็นอีกกรรมหนึ่งไปเลยอันนี้นี้ท่านมอง อ, อีกมุมหนึ่งคือต้องการจะเห็นต่างนั่นเองนะโดยว่าตัวสงค์คือท่านท่านต้องการให้ดอมมองดูจุดต่างส่วน กรรมภาวะคือกุศลอกุศลเจตนาที่เกิดในชาวนาดวงที่เจอันนี้เป็นอุปช้าเวทนยกรรมโดยส่วนเดียวถ้ามองอย่างนี้แปลว่าเอากรรมมาเป็นเครื่องวัดเอารลำดับอะไรนะลำดับเหตุการให้ผลใช่ไหมใช่ไหมทิฏฐาธรรมเวทนากรรมอุปช้าเวทนากรรมปราปรอ布ะร拉เวทนากรรมเนี่ยใช่ลำดับเหตุการให้ผลไหมลำดับใช่ไหมลำดับเหตุการให้ผลตามภพชาตินั้น แต่ถ้าหากว่าคิดในลักษณะอย่างนี้อย่างพวกเราทั้งหลายยังคิดลึกกว่านี้ไม่ได้นะอันนี้ฟังตามมานะฟังตามเลยอีกในหนึ่งจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกับกุบกุศลอกุศลเจตนาชื่อว่าสังขารกุศลอกุศลเจตนาเจตสิกชื่อว่ากรรมโมโหต่างกันตรงไหนอ่จิตเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกับกุศลในกุศลในเจตนาในชื่อ ว่าสังขารเอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนะส่วนกุศลอกุศลเจตนาเจตสิก เ, เอาตัวเดียวนะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้บอกว่าการรมภรรคกับสังขารมีสังขารปสังขาราปุระเจตนาพวตุมุนจะสัตตมาสภาวะเจเจตนาพวสังขาราสัมปยุตตะพ ก, กาเนี่ยนะแปลคือผุพ่าเจตนาก็ดีเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนา ก่อนก่ครั้งก็ดีชื่อว่าสังขารมุนจากเจตนาก็ดีเจตนาที่ประกอบกุศลนาดวงเจ็ดชื่อว่ากรรมมาภาวะหรือกุศลอกุศลโลกียากุศลเจตนาทั้งหมดชื่อว่ากรรมมาว่าเตเจตสิกที่ประกอบกุศลอกุศลเจตนาชื่อว่าสังขารอีกในหนึ่งสังขารได้แก่าากุศลอกุศลเจนาเจสิกอย่างเดียวกรรมาว่าดได้แก่กุศลอกุศลเจนานพร้อมด้วยนามขันสี่ที่เหลืออีกในหนึ่งอีกในหนึ่งเยอะนะ สังขารได้แก่กุศลอกุศลเจนาียบเก้าที่เป็นเหตุของโลกียวิปากวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณและประวัติติอย่างเดียวได้สามสิบภูมินะกรรมว่าได้แก่กุศลอกุศลเจนาที่เป็นเหตุของโลกียวิปากวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณปวัติวิญญาณและอสัญญีพบได้สามสิบเอ็ดเลยนี่แยกอย่างเงี้ยนี่แยกหมดแล้วนะทีนี้ทําความเข้าใจอย่างดูตามคําสอนหน่อยว่า ใน <c oughs> ในการทําความเข้าใจด้วยว่าที่ท่านแสดงความต่างกันเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวมาอย่างเนี้ยถ้าบอกวินิจัยลักษณะเป็นต้นของกรรมปา a r m a กรรมมรรคโนมีเจตนากรรมเป็นลักษณะต่างกันจากกรรมสังขารไหมเนี่ยภาวะนรโสมีการทําให้มีทําให้เป็นเป็นกิจทําอะไรให้มีทําอะไรให้เป็นเนี่ย กุสลากุศลปัจจุปฐานโนมีความเป็นกุศลอนะกุศลเป็นผลอุปาทานปัจโ ย, ยมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้อันนั้นเป็นกรรมมาเพราวะว่านืส่วนอุปติภวกรรมมาภรรักษโนมีมีความเป็นผลของกรรมนี่เป็นลักษณะภวานารโสมีการเกิดขึ้นเป็นกิจอพยากตะปัจจุปฐานโนมีอพยากตะตามเป็นผลอุปาทานปัจจัตฐานโนมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้อาต่อไปสงเคาะปัจจัยหน่อย สงฆ์ปัจจัยนะพู้สงคฆ์ปัจจัยเยอะกันเลยเนี่ยเอาไปดูที่สงฆ์ปัจจัยยังไงเนี่ยในนี้เ no. ขาสงฆ์ไว้ไหมเฉพาะนะการมุปาทานเป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่กรรมเพราะว่าท <c oughs> ี่ประกอบกันกับตนได้มนต์ปัจจัยเจ็ดนะเจ็ดยังไงการมูปาทานได้แก่อะไรคำว่าการมูปาทานได้แก่อะไรโยมหลโลภาเจดสิกใช่ไหมโลพาเจดสิกเนี่ยถ้าดูในสาชาตาชาติเล็กกับสาชาตชาติเล็กเนี่ยนี่ย เหตุ ed, อธิบดีอินทรีย์ชบอกว่ากรรมเหตุที่กังให้อินทร์ชมาคไงนะแล้วก็ชาณปัจจัยมรรคปัจจัยเนี่ยถามว่าถ้าดูโลภะเยตสิกเนี่ยเป็นตัวเหตุปัจจัยได้ไหมได้ไหมเป็นอธิปฏิปัจจัยได้ไหมเป็นสาชาตากรรมาปัจจัยได้ไหมเป็นนามห า, ารปัจจัยได้ไหมเป็นสาชาตินตรีาปัจจัยได้ไหม เป็นมรคขปัจจัยได้ไหมสรุปแล้วเป็นปัจจัยอะไรได้บ้างเนี่ยในเจ็ดปัจจัยเนี่ยได้เหตุตุปัจจัยอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นโลภะเจตสิกเป็นโลภะเหตุเนี่ยฉะนั้นจึงได้เหตุุปัจจัยมองออกไหมฉะนั้นโลภะได้เหตุตุปัจจัยเป็นปัจจัยช่วยเวลารักกเจตนาที่เกิดพร้อมกันกับตนที่โลภะเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกันกับเจตนาเจตสิกไหมในขณะที่โลภะเจตสิกเกิดขึ้นเนี่ยเจตนาเกิดไหมล่ะเกิดใช่ไหม ฉะนั้นโลภะกับเจตนาจึงเกิดร่วมกันจึงได้เหตุปัจจัยตัวสหชาติชาติมีปัจจัยกับปัจจุบันจะต้องเกิดพร้อมกันไงถ้าได้เหตุตัปัจจัยปัจจัยนอกนั้นไม่ได้ที่เป็นสาชาตชาติเล็กนะก็ไปดูในกลุ่มสาชาติชาติใหญ่เข้ามาสี่เล้เดีวสาชาติปัจจัยสาชาตานิสยาปัจจัยสาชาติสาชาตวิคตะเป็นห้าเลยใช่ไหมนี่ในสาชาติชาติกลางล่ะอัญญมัญญะปัจจัยจะได้ไหม โลพากเจตนาเขาอัญญาอัญญาต่อกันอยู่แล้วเป็นสัมพยุตใช่ไหมเป็นสัมพยุตปัจจัยได้ไม่ใช่วิบากแล้วก็ไม่ใช่เป็นวิปยุตก็เว้นออกไปสรุปแล้วก็คือได้สหาชาติชาติเล็กหนึ่งกลางสองแล้วก็ใหญ่สี่เจ็ดประจัยพอดีนะคิดง่ายไหมอย่างเงี้ยเริ่มคิดได้แล้วนะเริ่มคิดง่ายแล้วนะดูในหลักสูตรที่ดูในหลักสูตรที่ดูในหลักสูตรทีนี้ ประการต่อมาอภรการต่อมาก็คือว่าอะไรกันทิฏฐูปาทานจะมาทิฏฐูปาทานศีระประตูปาทานอัตวาทุปาทานทั้งสามอย่างเป็นปัจจัยแก่กรรมมวรคที่เกิดพร้อมกันกับตนได้มาปัจจัยเท่าไหร่ถามว่าทิฏฐูปาทานศีระประตูปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยทั้งทิฏฐูปาทานได้แก่อะไรตวงธรรมสีระประตูปาทาน ทิฏฐิอัตตวาทุปาทานได้ทิฏฐิหมดเลยนะทีนี้ถ้ามองทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเป็นเหตุได้ไหมเหตุปัจจัยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเหตุหกไม่มีทิฏฐิอธิปติปัจจัยสาชาตาธิปติปัจจัยสาชาตารามปัจจัยนามหารปัจจัยไม่ได้นะสาชาตินตรียปัจจัยชานะปัจจัยมัคปัจจัย มาร์กนี่เป็นมาร์กอะไรมิจฉามาร์กเขาเรียกมิจฉามาร์กเรียกอะไรมิจฉามาร์กนั่นแหละใช่ไหมมิจฉามาร์กนั่นแหละเป็นเหตุเออเป็นมาร์กได้ไหนดวเนี่ยอันนี้เขาเรียกมาร์กไม่ดีมาร์กมาร์กไม่ดีเนี่ยมิจฉามีที่เป็นมาร์กอะไรอ่ะมาร์กมากก็แบบมาร์กมากก็ได้ใช่ไหมเพราะร่วมกับโลภะเลยมาร์กมากไปดู ไอ้โลพาในเวลาตนเลียงอยากแล้วก็ทําให้สภาวทท่าทมให้เกิดร่วมกับตนอยากด้วยงั้นมักไม่ดีมักมา ก, มากอย่าไปบอกมักลามกนะีย <c> น <oughs> ี่มักไม่ดีนีมม่มักไม่ดีนี่ไม่จ่าที่ที่มีมักชั่วมักไม่ดีนั่นจึงได้อะไรเนี่ยเล็กได้อะไรได้มักคปัจจัยบางคนบอกมักค้าปัจจัยโอ้ต้องดีแน่ที่ไหนไม่ดี พอเล็กมาแล้วสาชาตชาติใหญ่สี่ไมคแล้วสาชาตสาชาตานิสยสาชาตทิสาชาตาวิคตะเล็กากลางเท่าไหร่กลางสองนี่จ้องหลักขมิงเลยนะอัญญามัญญะปัจจัยกับสัมปยจจุตรปรจัจจัยทําไมไม่ได้วิปากประปัจจัยทิฏฐิไม่ใช่วิบากเนอะทิฏฐิในโลภะเนี่ยเป็นเป็นชานะเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นตวิบากอะทำไมไม่ได้วิปยุทธละ่ะ ทิฏฐิกับเจตนาเขาประกอบกันว่างั้นเขาประกอบเดี๋ยวจาไปคิดบางคนไปคิดผิดการนะบางคนบอกเ อ, อ้เออายกตัวอย่างบางทีว่าเออทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่เจตนาในกุศลนี่ยจะได้วิปยุทธใหม่นี้เริ่มคิดหนักไปเลยที่จริงอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าวิปยุทธกันอ่ะต่อไปอุปาทานทั้งสี่เป็นปัจจัยแก่อุปตอิอุปการะแก่กรรมว่าที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้น ในชาติในเข้าเนี่ยถ้าเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยอันันตระชาติเข้าแล้วเออถ้าจะเป็นกลุ่มอันันตระชาติเข้าเนี่ยถ้ายกชวนะขึ้นมาจะเห็นถ้ายกชวนะเห็นเลยแปลว่าเขาเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นใช่ไหมถ้าลักษณะอย่างเนี้จะเห็นเลยในอุปาทานสี่ที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นก็ แ, Samuel, ลแปลว่าโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลกิจแป เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในโลภะมูลกิจแปดทิฏฐิที่ในทิฏฐิขตาสัมยุตตเจ็ดสเป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในทิฏฐิขตาสัมยุตตเจ็ดสี่ใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยได้อำนาจปัจจัยหกอนันตระสมา น, นตระอนันตรูปนิสยาอาเสว น, ะนาณถิวิคตะอันตัวนี้ก็ไม่ได้เขียนวิถีให้ดูนี่นี่ต้องไปดูในอนันตรชาชจะเห็น คืออย่างนี้ตัวทิฏฐิขออภัย น, นั่นแหละตัวทิฏฐิเป็นปัจจัยเก่เจตนาอุปาทานเป็นปัจจัยเก่เจตนาอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าในโลภะทิฏฐิขตสาบยุตจิตศีเนี่ยนะถ้าเขียนโวนะขึ้นมาเห็นชัดเนี่ยเขียนโชนะขึ้นมาเนี่ยออย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะท่า น, นในขณะที่ทิฏฐิเกิดขึ้นใช่ไหมตัวทิฏฐิเจตสิกเนี่ยที่ใน ชาวนะด ว, ดวงแรกเกิดขึ้นนั่นแหละก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในชวนะดวงที่สองถ้าถ้าลักษณะเป็นต้นไปตามลำดับเนี่ยนะอันนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิที่ในที่ในโลภะชวนะดวงที่1เป็นปัจจัยแก่เจตนาคือที่ในใ น, ในชาวนะดวงที่สองแล้วก็มาบอกทิฏฐิที่ในชวนะดวงที่สอง โลภะเชลหนะดงที่2ก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในเชวนะาดงที่สไอ้ทิฏฐิที่ในเจตนาที่ในโลภะเชวนะาดงที่สก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในโลภะดงที่สก็ไล่ไปตามลำดับไปจนถึงดงที่7นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้จึงได้อนันตระปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นอนันตรปัจจัยสัมณันตระปัจจัย อนันตโรปนิสยานาณถิวิคตะอาเสวนาปัจจัยด้วยนะเป็นตัวชาวนาอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้กี่ปัจจัยนะนี้อนันตราชาดเข้ามาอนันตราชาดเข้ามาได้เนะนี่เป็นอย่างนี้อภิการต่อไปอะไรอะไรตัวนี้ยอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรอุปาทานสี่เป็นปัจจัยแก่แล้วตรงนี้อะไรอุปาทานสี่อทิตถีเป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ในทิตถีเราจะ การกระทําของบุคคลที่มีอุปาทานสีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยแก่กุศลอกุศลกรร ม, มะพวะอุปติพวะได้าน้าปัจจัยเดียวคือประตูนะคืออย่างนี้ถ้าตรงนี้ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้บอกว่าอุปาทานสการมุปาทานที่ถุปาทานศีระประตุปาทานอัตวาตุปาทานเนี่ยนะเป็นปัจจัยช่วยประกาศลแก่กรร ม, มะพวะแก่การกระทํากรรมนี่นะที่ว่ามาตามลําดับนั่นแหละและอุปติพวะที่ ที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเว้นไว้แต่พระอรหันต์ก็แปลว่าได้บุคคลเท่าไหรเว้นพระอรหันต์ออกไปเนี่ยบุคคลเท่าไรเนี่ยบุคคล8หลือ7นีทุกขเตี่ยเหตุตกขบุคคลสุขเตี่ยเหตุกบุคล ค, บคลทวีเหตุกบุคคลติเหตุุกบุรุชนสโสดาสกาธาพระนาคาเนี่ยเนะีเว้นพระอรหันต์ออกที่มีการกระทําต่างๆสําเร็จเป็นกุศลอกุศลกรรมนี่นะกรรมภาวะเกิดขึ้นเนี่ยและเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไปเกิดเป็นอบายสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมซึ่งเป็นอุปติภาวะก็ะดีเนี่ยย่อมเป็นไปด้วยอำนาจของอุปท า, านสี่คือการมุปท า, านเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถามว่าในขันธสันดานของสัตว์นั่นเองเป็นปัจจัยทีนี้ในลักษณะอย่างนี้ถามว่าการช่วยประการะของอุปท า, านสี่แก่ก ร, รมแก่ภาวะทั้งสองในะอนาจปัจจัยเท่าไหร่ ได้ปัจจัยเดียวอย่างนั้นเขาเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยถามว่าในแง่ของปกตูปนิสยปัจจัยนี่นะได้ในลักษณะว่าคนเรามีการมุ ป, ปาทานก็ทำกรรมมีทิฏฐุปาทานมีสี ร, ระพตูปาทานเป็นต้นเนี่ยนะนั้นอุ ป, ปาทานอย่างนี้จะเป็นอุปนิสยาปั จ, จได้หมดเลยได้หมดยกตัวอย่างทิฏฐูปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้อรูปภพก็ได้ ใช่ไหมซึ่งเราอธิบายทิฏฐิ62มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดกลุ่มสัตว์ที่ทํากรรมแล้วไปเกิดในรูปประภูมิในรู ป, ปรภูมิก็เยอะแยะหรือทิฏฐุปาทานให้ลงอบัยภูมิก็ได้ทิฏฐุปาทานให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้กามุปาทานศีรรลพตุปาทานอัตวาทุปาทานก็เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะปรารบอะไรเป็นเหตุแล้วก็ทํากรรมใช่ไหมต่างขนาเลยนะกรรมเหล่านั้นก็ทําให้ได้ คือการกระทํานั้นนั้นมีอุปนิมีปัจจุบันิสยปัจัยนั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างยกตัวอย่างอย่างเราๆรเนี่ยบางทีเนี่ยทำกรรมปรารถนาขันกันเนี่ยอย่าลืมนะนะอุปนิสยปัจจัยปจเป็นมีส่วนนะส่วนอีกอย่างหนึ่งในขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังทํากุศลกรรมโดยมีอุ ป, ปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างสามัญถามว่าในขณะนั้นอุ ป, ปาทานสีกามุ ป, ปาทานทิตตุปาทานสีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ย เป็นปัจจัยคือช่วยประกาศลแกกุศลอกุศลและกรรมว่าพราะว่านั้นน่ะอำนาจของอารามนะปัจจัยได้ไหมได้ยึดถือกามุปาทานเป็นปัจจัยแล้วก็ท e ํากรรมยึดถือทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยแบบธรรมดาแล้วก็ทํากรรมได้อารามนะปัจจัยอย่างเดียวนะยึดถืออัตวาทุปาทานเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ทํากรรมยึดถือสีละปรตูปาทานแล้วก็ทํากรรมได้ไหม จะทํากรรมดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นเราเห็นคนประพฤติศีลโพธิผิดเพราะไม่ได้ปไปเขียนคนคนนั้นคิดว่าเขาจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการปฏิบัติเช่นนั้นเขาก็ทําเงี้ยนะขอวัดสุนัขวัดเป็นต้นเนี่ยเราก็มาทําบุญก็ยังได้เลยเราเห็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่เนียนเป็นอย่างนั้นได้รับหน้าปจจัยหรือในขณะโอ้โหตรงนี้มีในแง่การทําความเข้าใจยเยอะอกันนะเยอะนะเนี่ยไม่ได้จริงๆจบแล้ว ครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่พบแล้วก็พูดในเรื่องของลักษณะเป็นต้นของกรรมพระวะแล้วก็อุปาติาวะกรรมลัคนโนนั้นเป็นเจตนากรรมเป็นลักษณะตัวกรรมภาวะนี่ได้แก่เจตนากรรม29เใช่ไหมเจตนากรรม29เป็นกรรมภาวะ ตรงนี้ไม่ต้องไปบอกว่าเจตนากรรมที่เกิดในปัจจุบันที่จะทําผลเกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรรมมโหฬาส่วนเจตนากรรมในอดีตเป็นสังขารก็ไม่ต้องไปกล่าวในย่าตรงนั้นเละนะทีนี้พอขยายไปหลายๆในขึ้นมาบางคนไปรับบางในอีกบางในไม่รับเลยแท้จริงท่านต้องการให้ดูจุดต่างให้ดูว่าจุดต่างแค่นั้นเองแต่ถามว่าจริงๆมีอยู่จริงไหมเจตนาในอดีตจพบมีไม่ใช่ไม่มี และเจตนาในปัจจุบั น, นพบก็มีใช่ไหมและเจตนาในอดีตพบก็ทําให้ผลเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆและเจตนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ทําอุปติภพหมายถึงทําให้ผลกล่าวคือชาติเป็นต้นเน่ยเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆไอ้ตรงเนี้ยถ้ามองในแง่ตรงเนี้ยนะแล้วก็เออมันมันก็พอจะเห็นใช่ไม้มเออกรรมรวิภาวะนี่ต่างจากสังขารในมุมนี้ในแง่นี้ ทีนี้ภาวะนรโสมีการทําให้มีทําให้เป็นเนี่ยเป็นกิจเจตนากรรมเนี่ยนะเจตนากรรม29ที่เป็นกรรมมรรคเนี่ยทำให้อะไรมีขึ้นทําให้อะไรเกิดขึ้นเลยก็ทําให้กลุ่มของปฏิสนธิวิญญาณนี่ยแหละเกิดขึ้นในอนาคตนีฉะนั้นตัวปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเรียกว่าอะไรถ้าบอกว่าการเกิดขึ้นของขันใช่ไหม ขันที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันหขันหนึ่งขันสที่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นอุปติภาวะใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกอ่มันอีกอย่างนะเดี๋ยวไปงงกับชาติใช่ไหมกุศลาสระปัจจุปถานโนมีความเป็นกุศลและอกุศลเป็นผลถามว่าเจตนากรรมเนี่ยเจตนา เจตนาที่ในอกุศลแจิต12เจตนาที่ในโลกี้อกุศล17เนี่ยมีความเป็นกุศลอกุศลนะเป็นผลเกิดขึ้นจริ ง, รงๆรใช่ไหมถ้าเจตนาที่เป็นไปกับโลพาโทสารและโมหะนี้เป็นอกุศลจริงๆเ จ, จตนาที่เป็นไปกับกุศลแล้วก็เป็นไปกับโลกี้กุศลก็เป็นกุศลจริงจริฉะนั้นจึงมีความเป็นกุศลอกุศลเป็นผลทีนี้ อย่าลืมนะวไอตัวเจตนาใช่ไหมเจตนาที่ไม่มีกุศลเป็นผลก็มีเพราะเจตนาที่อยู่ในวิบากเจตนาที่อยู่ในกิริยาเนี้่เจตนาที่อยู่ในกลุ่มของอเหตุุกขจิตเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นกุศลนะกุศลใดๆเลยเจตนาในลักษณะอย่างนั้นเพราะอย่าไปกล่าวว่าเจตนานั้นจะเป็นกุศลทั้งหมดไม่ใช่เจตนาที่เป็นวิบากกิริยาก็มี เจตนาเป็นโลกุละกุตระได้ไหมคําว่ากรมรมวิภาวะนี้เอามักขกรรมเลยวะเป็นมักขเจตนาด้วยไหมกรมมกรมวิภาวะเนี่ยไม่เอาเนือเพราะอะไรรู้ไหมมักขเจตนานี้ไม่ได้ให้อุปาติภาวะเกิดไม่ได้ไม่ได้ไไดทําให้ขันอุบัติเกิดขึ้นใช่ไหมมักนั้นนะ่ะเจตนาในมักนั้นเป็นเจตนาที่ตัดอะไรตัดสังสารวัตตัดวัดตะ ถ้าแปลถ้าโดยตรงก็คือว่ า, าไม่ทําให้ขันธุบัติเกิดขึ้นนั่นเองอุปาทานปะปทัตฐานนมยุปาทานเป็นเหตุใกล้คือท่านหมายถึงเหตุที่ใกล้ที่สุดนั่นเองส่วนวินิจฉัยลักษณะเป็นต้นลักษณะลักษ ณ, กษณประโยคฐานเป็นต้นของอะไรของอุปปฏิภพกรรมมะพา ร, ราลัคโนมีความเป็นผลของกรรมนี่เป็นลักษณะผลของกรรมเนี่ยกับตัวกรรมเนี่ยต่างกัน เพราะคำว่าพบเนี่ยท่านแยกเป็นสองใช่ไหมผลย่อมเกิดแต่เหตุธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเหตุธรรมนั้นจึงชื่อว่าพบก็ผลย่อมเกิดแต่เหตุธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเหตุธรรม น, น, น, น, นี้เหตุธรรมนี้อันนี้ตัวเหตุเนี่ยชีว้ว่าพูดผลแต่ไปเป็นบงถึงเหตุถ้าอย่างถามอย่างว่าถามอย่างนี้ถามว่าเราว่ า, เ, าเออเนี่ยพวกเราเนี่ยไปเรียนไปเรียนที่ไหนเรียนกับใครยเงี้ยอันนี้ถ า, ถามถึงอาจารย์นะ ถามนี่อาจารย์ใช่ไหมว่าเออเนี่ยแล้วใครใครเป็นพ่อเ ป, เป็นแม่เราอย่างเงี้ยอันนี้ถามถึงพ่อแม่นะแต่ชี้เราเนี่ยแหละแต่ถามถึงพ่อแม่ใช่ไหมชี้ผลแต่ถามถึงพ่อแม่มีชื้อชี้ผลแต่ถามถึงเหตุได้ไหมได้ใช่ไหมถามว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุธทมนี้มาจากคําว่าภวติพลังเอตสัสมาติพโวโอนี่ยอันนี้ถามถึงผลแต่สาวไปหาอะไรสาวไปหาเหตุใช่ไหม อย่างถามท่านทัาเนี่ยทัามาจากเออทัาเนี่ยที่ก่อนจะท้าปมาอยู่ที่เนี้ยมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยหมายความว่าจะต้องบอกที่ที่มานั่นก่อนใช่ไหมอันนั้นคือถามหาเหตุถามหาเหตุแค่นั้นเชื่อพบและคําว่าพบนี้ได้แก่กรรมมาพบคําว่าพบนี้ได้แก่กรรมมาพบคือเจตนากรรม29ดวงที่ประกอบในอกุศลแจิต12มสอหากุศลจิต8แลาา้วก็มหากตากุศลกรรมมหากตากุศลและจิต9เนี่ย เอาเจตนาที่ประกอบในจิตเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเจตนากรรม29ถ้าในอัตกถาวิพังกับปรกรณ์เนี่ยนะท่านบอกภาวะตีตีภาวะก็แปลว่าธรรมชาติใดย่อมมีหรือย่อมเป็นเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าพบย่อมมีและย่อมเป็นไอย่อมมีย่อมเป็นเนะี่ยมีภพสองนะคือกรรมภพและอุปปฏิภพในสองอย่างนั้นกรรมภพได้แก่เจตนากรรม29ใช่ไหมอุปปฏิภพก็ได้แก่อุปติภาวะเก้านั่นแหละ ถ้าอุปติภวก้เนี่ยกามาพบรูปะพบอรูปะพบเอโวกะระพบเจตัวกะระพบปัญโวกะระพบสัญญีพบอาสัญญีพบเนวะสัญญีนาสัญญีพบรวมเป็นภพเก้าใช่ไหมภพเก้านี้ก็ได้แก่ภูมิเท่าไหร่ภพเก้าได้แก่ภูมิเท่าไหร่สาเท่าไหร่31หนึ่งภูมิ31ภูมิใช่ไหมนั่นแหละคำว่าพบนั่นแหละนั่นแหละคือภพเก้าฉะนั้นภพเก้าที่อุบัติเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเพราะอะไรล่ะ เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยแ่ะกรรมมะภาะวะนะเราอย่าคิดว่าพบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีเหตุนะเริ่มเห็นนี่ยังแต่เนี้ยไม่ใช่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อถ้าเรามองอย่างนี้นะอย่างเราทํากรรมเข้าไว้เนี่ยวิมานรอเราอย่างเงถ้าไปเป็นในเทวภู ม, มิวิมานอุบัติ ร, รอแล้วเข้าใจว่าเนี่ยปั น, นี้ล้างเต็มไปหมดแล้วมั้งล้อหมดแล้วรับวิมานล้างเยอะ ทีนี้โอปติภาวะเนี่ยทว่าโดยองธรรมใช่ไหมทว่าโดยองคธรรมอีกอย่างทว่าโดยการเกิดขึ้นนั่นอีกอย่าง是是ใช่ไม่ใช่บอกว่าโดยปุกครราาที่ฐานคืออะไรว่าโดยธรร ม, มาที่ฐานคืออะไรเนี่ย <_ s uk ur> บางคนก็ไปยืดจะแง่ธรรมาที่ฐานอย่างเดียวปกคาาที่ฐานอย่างเดียวเนี่ยใช่และอย่างเงี้ยถามว่าถ้ามีแต่ธรร ม, มาที่ฐานเนี่ยไม่มีปุกครราาที่ฐานกล่าวคือพบเหล่านั้นเนี่ย จะไปอยู่ที่ไหนจะไปสมมุติยังไงจะไปเรียกยังไงใช่ไม่ใช่จะเรียกพบถูกไหมเนี่ยถามว่าถ้าหากสัตว์นั้นมีขันห้าไปอยู่ณนะที่ใดที่ตรงนั้นเรียกที่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าปัญญโวกันเราพบเพราะมันเกลื่อนกลนด้วยขันห้าใช่ไม่ใช่ถ้าหากว่าที่อยู่ตรงไหนนั่นแหละที่มันเกื่อนกลนด้วยรูปประขันอย่างเดียวที่ตรงนั้นเรียก ว, ว่าเอกโวกันเราพบ ถ้าเกลื่อนกลนด้วยน้ำมขันสีอย่างเดียวตรงนั้นก็เรียกว่าจัตุวโวกระพพมองเห็นใช่ัหมตอนนี้ยนั้นการอุบัติขึ้นของภพก้าวเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอุปติภพนี่เริ่มจะเห็นขึ้นมากขึ้นเลยนะไอ้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปขยายเดี๋ยวไปส่งข้อปัจใจก็ยังงเลยนะทีนี้ประการต่อมาในคําว่าอุปาทานาปจเจวอุป ปาทานปั จ, จยาภโวะก็แปลอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเนี่ยท่านประสงค์เอาก ร, รมาพและอุปติภพแต่ในคำว่าภาวะปั จ, จยาชาติเนี่ยแปลว่าภพเป็นปัจจัยแก่ชาตินี้ท่านประสงค์เอาก ร, รมาพคือเจตนากรยี่9เท่านั้นจิงอยู่ก ร, รมาพบนั้นเป็นปัจจัยแก่ชาติและชาติก็คืออุปติภ พ, บพบโออปติภพใช่ว่า ซึ่งเป็นสภาวะที่ขันเกิดขึ้นครั้งแรกนั่นแหละแท้ที่จริงว่าถามว่าถ้าชาตินี่เขาเน้นอะไรเน้นการเกิดขึ้นครั้งแรกของของขันเอาการเกิดขึ้นของของขันหการเกิดขึ้นครั้งแรกของขัน5การเกิดขึ้นครั้งแรกของขัน4การเกิดขึ้นครั้งแรกของขันหนึ่งั่นแหละเรียกเรียกชาติใช่ไหมเดี๋ยวจะไปว่าอีกทีต่างกันใช่ไหม ถามโอปติภพเน้นเน้นภพไอชาติเน้นภพด้วยวะหรือเน้นขันไม่ชาติมีเน้นภพหรือเน้นขันนั่นแหละโอปติภพก็ใช่ไงถามว่าว่าภพเนี่ยกล่าวเน้นเน้นขันหรือเน้นเน้นภพโอปติภพเนี่ยเน้นปุคราทิฏฐานหรือธรรมาทิฏฐานแต่ชาติมีเน้นธรรมาทิฏฐานหรือปุคลาทิฏฐานลองไปดูนะทีนี้ในอุปาทานปทัฏฐานโนมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ ทีนี้วิจัยใช้ลักษณะเป็นต้นของอุปติภาวะใช่ไหมกรรมะาราลาคันโนมีความเป็นผลของกรรมนี่เป็นลักษณะแปลว่าผลของกมมรรมอภาวะภาวนรโสมีการเกิดขึ้นเป็นกิจก็แปลว่ามีการเกิดขึ้นของพบมีการเกิดขึ้นของขันเน้นนะอพยากตะปัจจุปทานโนมีอัพยากตะทำเป็นเป็นผลถามว่าอุปติภาวะนี่เป็นเป็นธรรมประเภทไหนเป็นอัพยากตะ เป็นอภิยกรนะธรรมเนีถ้าถามบอกอภิยกระธรรมนี่เป็นโรคหรือเป็นนามเป็นทั้งโรคทั้งนามมันเนีเป็นส่วนวิบากนั่นเองอุปาทานะททา น, นัปทัตฐาโนก็มีอุปาทานเป็นเหตุใกล้เหมือนกันเออมื่อเมื่อวานนี้ส่งข้อปัจจัย24เข้าในบทว่าอุปาทานปัจจโยปัจยาภวเนี่ยอุปาท า, นะนะ า, านเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่กรรมมาเพรา ะ, ะที่ประกอบกันกันกบตนนั้นได้หนาาปัจจัยเจ็ดในเงนะ ในเจ็ปัจจัยนั้นอุปาทานในที่นั้นเอาอะไรเอาการมุปาทานหรือเอาอุปาทานก้อไหนอุปาทานอะไรกามุปาทานใช่ไหมการมุปาทานก็จะแก่โลภะโลภะเป็นเหตุกล่าวไปแล้วได้เหตุุปัจจัยปัจจัยเล็กนอกนั้นอีกหกปัจจัยไม่ได้ส่วนปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติใหญ่ก็เข้าใช่ไหมสาชาตา่สาชาตานิสยาสาชาตาทีสาชาตาวิกะตะท่านท้าพระสวดบ่อยใช่ไหมสาชาตอปจโย แต่ว่าสหนิสตยาปัจโยอธิปัจโยอวิคตอปัจโยเห็นไหมสวดได้นะเนี่ยใช่ไนี่เขาเรียกสวดได้ถ้านึกก็สวดปัจโยที่ไรก็นึกทันทีแล้วต้องมีคนตายอีกแล้งนั้นเป็นอย่งนั้นไม่สมตักพอได้ยินตัเยอตัปัจโยนี่งานนี่คนตายแล้วพแต่ถ้าไม่มีใครตายไปเลยไม่สายทายเลยตอนนี้เทวดาคอยจ้องจะฟังมื่อเมื่อไหร่คนจะตายจะได้ฟังอวิธอมบ้างพวก สวดกันบ่อยไม่เกี่ยวกับคนตายหรือไม่ตายนะ